สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบสี่พอเจ้านายของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อห้าถึงข้อที่สิบสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่ห้าถึงข้อที่สิบถ้าพี่น้องมีพัดกำพีนะครับโปรดเปิดไ ป, ปพร้อมๆกันและเราจะอ่านพร้อมกันนะครับสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อห้าถึงข้อสิบ คนโง่ดูหมิ่นคำเตือนสติของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำทักท้วงเป็นผู้อย่างรู้ในเรือนของคนชอบทำมีครังงรั์มากแต่ความลำบากตกอยู่กับรายได้ของคนชั่วร้ายลิ้มฝีปากของปราดกระจายความรู้แต่ความคิดของคนโง่หาเป็นเช่นนั้นไม่เครื่องศักการะบูชา ของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปิติยินดีแก่พระองค์ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักบุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมมีโทษหนักสำหรับผู้ที่ทอดทิ้งทางดีบุคคลผู้เกลียดคำเตือนสติจะตายเปล่า พี่น้องครับเรามาเริ่มในข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าบอกว่าคนโง่ดูหมิ่นคำเตือนสติของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำทักท้วงก็เป็นผู้อย่างรู้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ignore นะครับ ignoreignore Ign แปลว่าละเว้นไม่ให้ความสมคัญเพิกเฉยคนโง่เพิกเฉ ย, เเฉยต่อคำ สอนของคุณพ่อคุณแม่และการเตือนสติหรือการแก้ไขชีวิตคําเตือนที่นําไปสู่การแก้ไขชีวิตนั้นเราจะต้องรับไว้คําเตือนสติตรงนี้พระคมพระกัมพีภาษาไทยแปลว่าคําทักท้วงพี่น้องครับคนหนุ่มคนสาววัยรุ่นมักไม่ชื่นชอบกับ ก, บการเตือนสอนการเตือนสติจากคุณพ่อคุณแม่ ไม่เพียงแต่การเตือนสอนนะครับก็รวมไปถึงการตีสอนด้วยเพิ่มพิถอว่าคนพวกนี้ครับไม่ฉลาดเป็นคนโง่เป็นคนใจแข็งกระด้างเป็นคนโฉดเขาเป็นคนมักยอดเย้ยเป็นคนหญิงยโสเป็นคนเกลียดตัวเองและในที่สุดเขาจะตายครับในที่สุดนั้นก็จะมีความลำบาก ข้อหกครับในเรือนของคนชอบทำมีครั้งรับมากแต่ความลำบากตกอยู่กับรายได้ของคนชั่วร้ายพี mm ่น้องครับ mm hmm. เมื่อคนโง่ mm hmm. คนชั่วร้ายนั้นปราศจากคําสอนคําเตือนคําทักท้วงชีวิตของเขานั้นก็มุ่งไปสู่ความลำบากและความลำบากตรงนั้นนะครับรวมถึงความยากไร้รวมถึงความยากจนด้วยครับนะตรงนี้หมายความว่า ความลำบากตกอยู่กับรายได้ของคนชั่วร้ายแต่พาษาอังกฤษแปลอย่างนี้ครับว่า But the wicked l o s t d a y s when hard times come หมายความว่าคนที่ชั่วร้ายนั้นเขาจะสูญเสียสูญเสียสิ่งที่เป็นของเขาเมื่อยามยากลำบากมาถึงนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะ เก็บสิ่งดีๆของเขาความมั่งคั่งของเขารายได้ของเขาได้เมื่อความลำบากมาถึงเขาจะพบกับความสูญเสียแต่ในทางกลับกันครับคนที่เฉลียวฉลาดคนชอบทำนั้นสามารถรักษาความมั่งคั่งของตนไว้ได้ด้วยเหตุนี้ ในข้อที่หกจริงบอกว่าในเรือนของคนชอบทำมีคลังทรัพย์มากเพราะเขาสามารถรักษาไว้ได้แต่คนชั่วร้ายหรือคนอาธรรมนั้นไม่สามารถรักษาไว้ได้พี่น้องครับคนที่ฉลาดมองเห็นอนาคต <c oughs> มีความคิดสำหรับอนาคตและรักษาสิ่งต่างที่คุณพ่อคุณแม่ ฝากไว้ให้ได้ตลอดไปไม่เพียงแต่คำสอนเท่านั้นก็รวมทั้งทรัพสมบัติมรดกที่คุณพ่อคุณแม่ให้ด้วยพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่ารองจากความยำเกรงพระเจ้าก็คือการให้เกียรติพ่อแม่ครับซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมชั้นสูงสุดเลยทีเดียวทรัพสมบัติในชีวิตของเรานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะครับ ทรัพ ส, สมบัติในชีวิตของเราก็อาจจะมีอย่างอื่นเช่นสันติสุขความรักความชื่นชมยินดีอันนี้ถือว่าเป็นความมั่งคั่งในแบบที่เงินไม่อาจซื้อได้และสําคัญมากกว่าเงินเสียได้ซ้ําเพราะนี่เป็นของประทานจากพระเจ้าเหมือนกันครับซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมไวสมม้สําหรับคนที่รักพระองค์ในทางกลับกันครับความลําบากจะเติมเต็มบ้านของคนชั่วร้ายพี่น้องครับความลําบากจะเติมเต็มบ้านของคนชั่วร้ายการที่เราจะเป็นคนอธรรม นะครับเป็นคนชั่วร้ายมีผลมากครับไม่อยากให้พวกเราเลือกทางนี้แต่ผมอยากจะให้พวกเรานั้นด้วยการทรงนำของพระเจ้าเราจะเลือกเดินทางแห่งความชอบธรรมข้อที่เจ็ดครับริมฝีปากของปราชญ์กระจายความรู้แต่ความคิดของคนโง่าหาเป็นเช่นนั้นไม่เราจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนฉลาดถ่อยคําของเขาถ่อยคําของคนฉลาดก็ทําให้เราสว่างครับ ทำให้เราสร้างสรรค์ชีวิตทําให้เรารู้ทางที่เราจะเดินไปนะครับและถ้าเรากระจายความรู้นั้นออกไปเราจะพบว่านั่นคือพระพรครับเรากระจายถ้อยคําของพระเจ้าออกไปนั่นคือพระพรครับเรากระจายข่าวประเสริฐออกไปนั่นคือพระพรครับเพราะฉะนั้นถ้อยคาของคนฉลาดก็ น, นําพระพร สร้างความรู้สร้างสรรค์ชีวิตและคนที่ฉลาดนะครับพี่น้องเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเสริมสร้างชีวิตของตนนั่นหมายความว่าจดจ่ออยู่กับคำสอนครับจดอยู่จดจ่ออยู่กับพระคัมภีร์จดจ่ออยู่กับการพัฒนาตนเองพร้อมที่เรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาชีวิตของตนอยู่เสมอซึ่งตรงข้ามกับคนโง่เขานโง่เขานั้นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ไร้สาระครอบครองใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ออกมาที่คําพูดข้อที่แปดครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้ากล่าวว่าเครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่คําอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปิติยินดีแก่พระองค์อาเมนครับพี่น้องครับในพระกัมพีเดิมเครื่องสักการะบูชาหรือเครื่องทัญญบูชามีความสําคัญและมีราคา แต่มีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคาอธิษฐานและชีวิตจิตใจที่เชื่อฟังดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าชีวิตของคนนั้นมากกว่าเครื่องบูชาครับและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องบูชาราคาแพงหรือราคาถูกแต่พระเจ้าต้องการชีวิตของเราให้เป็นเครื่องบูชาพระเจ้าพอพัฒไยในคาอธิษฐานของคนชอบธรรมมากกว่าเครื่องบูชาของคนชั่วพระเจ้าคาดหวัง สิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์จากชีวิตของเราและพระองค์ให้ความสําคัญต่อสิ่งนั้นนะครับมากกว่าเครื่องบูชาของเราเพราะฉะนั้นคนที่มีความสัมพันธ์ยิ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟน้นกับพระเจ้าคนนั้นก็จะมีความรู้สึกติดสนิทกับพระเจ้าและคําอธิษฐานของเขานั้นย่อมสําคัญกว่าเครื่องบูชาและพระเจ้าจะทรงให้ความสําคัญ <S <S 2> <S 2> เขารู้ครับว่าพระเจ้าให้ความสําคัญต่อชีวิตของเขา ต่อตัวของเขามากกว่าของถวายของเขาในพระธรรมหนึ่งโซโมเอบทที่สิบห้าเขยิบสองนะครับว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องบูชาที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องบูชาพระเยซูทรงชมเชยคนเก็บภาษีเพราะคําอธิษฐานของคนเก็บภาษีนั้นจะเป็นการอธิษฐานทูลขอการไถ่โทษจากการสํานึกการกลับใจการสารภาพนี่คือสิ่งที่พระเยซูชมเชยเขา ครรมธิฐานที่เกิดจากความจริงใจนะครับสําคัญมากกว่าวอดดิ้งสำคัญมากกว่าทาสะละสะลวยข้อที่เก้าครับทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชัางแก่พระเจ้าแต่โปร่งรงรักบุคคลพูดตามติดความชอบธรรมผมชอบคําว่าตามติดความชอบธรรมครับคนที่ละทิ้งทางเห็นความชอบธรรมก็ไม่ชอบที่จะถูกกล่าวถูกเตือนสติถูกปรับปรุปงแก้ไขและในที่สุดนั้น เขาก็จะเดินทางไปสู่ความพิดพาคนที่ดื้อดานดันทุรังรันที่จะต้องการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตของเขาตามแนวทางของตนแทนที่จะตามแนวทางของพระเจ้าเขาก็กำลังวางชีวิตของตนอยู่ในความเสี่ยงเขาวางชีวิตของตนอยู่ในปัญหาเขาวางชีวิตของตนอยู่ในความเจ็บปวดและอยู่ภายใต้การลงโทษที่แสนสหาหัสจากพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลจัดการกับเขาอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าจะรัก คนที่ติดตามความชอบธรรมครับหรือตามติดความชอบธรรมคาว่าตามติดนั้นที่ผมชอบแปลว่าไล่ล่าความชอบธรรมแสวงหาความชอบธรรมอยากจะได้ความชอบธรรมมาเป็นสมบัติของตนข้อสุดท้ายในวันนี้ครับมีโทษหนักสําหรับผู้ที่ทอดทิ้งการดีบุคคลที่เกลียดชังคําเตือนสติจะตายเปล่าเพียงครับคนหนุ่มสาวที่ดื้อรั้นนะครับและแก่ตัวลง เมื่อยามแก่ตัวลงนั้นเขาจะได้พบว่าสุภาษิตข้อนี้เป็นจริงครับเมื่อถึงเวลาบางคนนะครับอาจจะไม่สามารถก้าวพ้นวาระนั้นไปได้เขาเองต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขานั่นคือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่พ่อผีเรียกว่าตายเปล่าพี่น้องครับถ้าเราไม่อยากตายเปล่าเราจะต้องไม่ดื้อรั้นนะครับเราจะต้อง มีจิตใจพร้อมที่จะเชื่อฟังเสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ยอมรับคำสอนและยอมมอบถวายชีวิตให้เป็นเครื่องบูชาจริงๆอามนีน